เพื่อการบันทึกการสื่อสารกับความตายยังเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยบรรดาผู้ที่คิดว่าความตายเป็นจุดจบนั้นเรียกการสื่อสารกับความตายว่าการปลุกผีในขณะที่ชาวคริสต์นิกายออโทดอกซ์คิดว่านี่คือผลงานของเหล่ามารร้ายนอกรีดส่วนนักค้นคว้าด้านจิตวิ ญ, ญญาณที่เชื่อตัวเองว่า การสื่อสารกับความตายเป็นเรื่องจริงนั้นพวกเขาต้องประเมินดูว่าการสื่อสารนี้บังเกิดขึ้นได้อย่างไรและได้มีการแบ่งคนทรงหรือคนกลางในการสื่อสารเป็นสองประเภทคือพวกที่ใช้จิตและพวกที่ใช้สรีระคนทรงหรือคนกลางที่ใช้จิตนั้นเป็นประเภทธรรมดามีให้เห็นกันมากมายพวกเขาติดต่อกับวิ ญ, ญญาณโดยการนั่งทางใน พวกเขาสามารถมองเห็นวิ ญ, ญญาณที่ไม่มีตัวตนตามตำนานพื้นบ้านหรืออาจได้ยินพรายกระสิบหูของพวกเขามีพรสวรรค์นในการได้ยินเสียงที่คนทั่วไปไม่ได้ยินหนึ่งในคนทรงผู้ประสบความสำเร็จคืออีนาทวิคเธอใช้ทั้งการมองเห็นและการฟังผสมผสานกันโดยอ้างว่าต้นเห็นวิ ญ, ญญาณที่คนอื่นมองไม่เห็น หรือได้ยินเสียงโดยผ่านการนั่งทางในมีการตีความและสื่อออกมาด้วยเสียงของเธอเองความแม่นยำของสารที่สื่อออกมานี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตีความของคนทรงหรือคนกลางการใช้สรีระในการติดต่อกับโลกแห่งความตายนั้นยากกว่าคนทรงหรือคนกลางจะไม่เห็นหรือได้ยินอะไร ไม่จำเป็นต้องเปิดปากเปล่งเสียงใดๆหรือตีความใดๆการสื่อสารโดยใช้รีระนั้นให้ผลเหมือนคนกลางเป็นผู้สังเกตการหรือถ้าเทียบให้ง่ายเข้าก็เหมือนกับการฝันไปหากสิ่งสำคัญสำหรับคนกลางผู้ใช้วิธีนี้นั้นคือคุณสมบัติด้านพลังแห่งชีวิต คนกลางต้องมีเอ็กโตพราซึมซึ่งจะมีปรากฏในระดับต่างๆในแต่ละมนุษย์บุคคลภาพถ่ายอินฟราเรดที่ถ่ายแหล่งที่มาของเสียงแสดงให้เห็นรัศมีของเอ็กโตปราซึมซึ่งกระจายออกมาจากตัวคนทรงหากความเข้มของรัศมีนั้นจะน้อยกว่าเหล่าคนที่นั่งสมาธิร่วมกับเขาทุกคนช่วยกันกอ่อให้เกิด กลุ่มหมอกควันจับเป็นก้อนกลมลอยอยู่เหนือศีรษะคนทรงไม่กี่ฟุตกลุ่มหมอกควันนี้คือที่มาของเสียงและว่ากันว่านี่คือแบบจําลองอวัยวะอันก่อกาเนิดเสียงของมนุษย์ในที่นี้เราจะเรียกกลุ่มหมอกควันนี้ว่ากล่องเสียงคนกลางหรือคนทรงจะส่งกระแสความคิดของตนในระดับความสั่นสะเทือนต่า สู่กล่องเสียงด้วยกระบวนการซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์กระแสะความคิดจากกล่องเสียงจะส่งออกมาเป็นแบบจำลองของเสียงที่ใช้กันบนพื้นโลกนี่คือทฤษฎีที่ผู้สื่อสารทางวิญญาณอธิบายแน่นอนกระบวนการนี้กระทำได้อย่างยากลำบากเมื่อเทียบกับวิธีการที่คนบนโลกนี้ใช้สนทนากัน สิ่งที่การทดลองใช้ปฏิบัติและนำไปใช้กับทฤษฎีนี้ได้นั้นจะนำมากล่าวถึงอีกครั้งในบทต่อไปในปี1945เมื่อจอร์จบูดได้นั่งสมาธิร่วมกับฟลินต์เป็นครั้งแรกเขาสื่อสารโดยตรงกับเสียงที่ได้ยินเพียงเล็กน้อยหลักฐานยืนยันขึ้นอยู่กับความทรงจำของบรรดาผู้ร่วมกันนั่งสมาธิหรือจดบันทึกกันในความมืด และหลักฐานเหล่านี้กลายเป็นเรื่องน่าเครือบแพลงสงสัยทางศาสนาหรือไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือเท่าไหร่ยกเว้นกลุ่มบุคคลที่เปลี่ยนลัทธิศาสนาหลังสงครามการเปลี่ยนแปลงด้านการตัดสินใจได้บังเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งประดิษฐ์อันให้ความสาคัญแก่การศึกษาด้านจิตที่น่าเชื่อถือได้นั่นคือเครื่องบันทึกเสียงอย่างพกพาหรือเครื่องเล่นเทปนั่นเอง บูดจัดหาเครื่องเทปรุ่นแรกและเริ่มนำมันติดตัวไปไหนมาไหนเวลานั่งทรงนี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียงต่างๆพูดออกมาและเปิดเทปนี้ให้เพื่อนๆผู้สนใจฟังซึ่งสามารถได้ยินชัดเจนราวกับทุกคนนั่งอยู่ร่วมกับคนทรงฟรินมาถึงจุดสูงสุดของพลังของเขา ในขณะที่แวดวงผู้ทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าทางจิตวิญ ญ, ญาณกลับไม่ค่อยรู้จักเขาจนกระทั่งเขาตีพิมพ์อัตะชีวประวัติของตัวเองออกมาในชื่อหนังสือเสียงแห่งความมืดหรือ Voice of the Dark เมื่อปี1971โดยสำนักพิมพ์ Macmillan Co. r r p o o a t i n น่าแปลกเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อของ r a y ร o ต t โทมัส เด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งถือกำเนิดขึ้นมาในกลุ่มสมาคมหนึ่งในอังกฤษสมาคมนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อชักชวนให้ประชาชนหันมาเลื่อมใสในสาศาสนา Salvation Army พ่อแม่เด็กเข้ากันไม่ได้และแยกจากกันตั้งแต่เขายังเล็กเด็กชายโตขึ้นถูกจีดกันจากเด็กคนอื่นๆเพราะเขามีความสามารถอันน่าตื่นตะลึงเขา สามารถมองเห็นบุคคลซึ่งญาติของเขาที่มีอายุมากกว่าล้วนกล่าวว่าบุคคลเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่เขาได้เรียนรู้ที่จะใช้ความสามารถนี้ของตนเองเด็กชายถูกดึงเข้ากลุ่มกับผู้ทำงานด้านวิญญาณที่ค้นพบพรสวรรค์ของเขาและเขายังได้ตรักอีกว่าตนสามารถถ่ายทอดเสียงในการนั่งสมาธิหมู่ได้ ระหว่างที่ชื่อเสียงของเขาเริ่มโด่งดังขึ้นในกลุ่มผู้ทำงานค้นคว้าด้านจิตวิ ญ, ญญาณเมื่อปลายทศวรรษที่30จากเซนอัลบานไปสู่ชาญเมืองลอนดอนทางตอนเหนือเดรตันโทมัสกับสาวกที่ไม่ใช่ออโทดอกซ์พยายามนำรายงานการศึกษาวิจัยทางจิตเข้ามาโยงกับแฟ้มบันทึกชาวคริสเพื่อหาเหตุเชื่อมเกี่ยวกับเรื่องสัญญาชีวิตนิรันดร์ของพระคริส เขาอ้างว่าตนเป็นตัวกลางให้ราชินีวิกตอเรียท่งข่าวสารผ่านตัวเขาไปสู่พระธิดาองค์สุดท้ายที่ยังดำรงพระชนอยู่นั่นคือเจ้าหญิงหลุยส์ทั้งยังอ้างอีกว่ารูดอล์ฟวาเลนติโนอาศัยตัวเขาเป็นสื่อในการพูดคุยกับเบียทริซลินลีเลสลีย์ฮาวเวิร์ดใช้เขาสื่อสารสู่การประชุมที่มีประธานคือพลเอกลอร์ดดาวดิงและเมเวส ดาราดังแห่งฮอลลีวูดใช้เขาเป็นสื่อสนทนากับมารดาผู้เสียชีวิตไปแล้วในโรงแรมซาวอยผลงานเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นเพียงงานเบื้องหลังของเขาวูดเดินทางมาพบเขาและเริ่มนั่งทรงกับเขาในฐานะลูกค้าอีกคนหนึ่งซึ่งสนใจเขาจ่ายค่าธรรมเนียมให้เดรนต์โทมัสวูดต่างจากลูกค้าคนอื่นๆ ในช่วงเวลาสั้นๆก่อนการนั่ ง, งทรงครั้งแรกระหว่างที่เขาเดินทางจากคอนดอยสู่ลอนดอนเขาเกิดกระหายอยากเขียนหนังสืออย่างยั้งมือไม่ได้เขาคว้ากระดาษกับดินสอออกมามือของเขาถูกพลังอันมองไม่เห็นเข้าควบคุมเขาเขียนลงไปบนกระดาษอย่างรวดเร็วจนเริ่มรู้สึกเหนื่อยเมื่อเขาผ่อนคลายเขาพบว่าตนได้เขียนเรื่องปัจจัของโลกหน้า น่าแปลดใจที่ข้อความเหล่านั้นเหมือนข้อความในหนังสือซึ่งไม่มีใครได้เคยเปิดอ่านมาก่อนและลายมือนั้นกลับเป็นลายมือของพ่อของเขาบูดเป็นนักค้นคว้าทางจิตเช่นกันเมื่อปี1946บูดไปออสเตรเลียเมื่อเขากลับมาครอนดอยเขาได้จองเวลาล่วมเข้าทรงอีกครั้งเสียงที่ดังผ่านเข้ามาในการนั่งสมาธิทรงครั้งนี้ อ้างตัวเป็นชายชื่อไมเคิลเตียรอนเสียงนั้นบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาที่โรงเรียนทอนดันก่อนสงครามและถูกสังหารที่นอมังดีในปี1944ช่วงสองสัปดาห์หลังวันดีเดย์ข้อมูลเหล่านี้ง่ายในการตรวจสอบบูร ท, ทำการติดต่อกับมารดาของเตียรอนเขาพาเธอไปหาฟลินเสียงนั้นดังขึ้นมาอีก นางเซียรอนบอกว่าเสียงนั้นคือลูกชายของนางเขากลับไปร่วมพิธีสมาธิเข้าทรงอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงผู้หญิงอ้างว่าเธอคือนางแพทริกแคมเบลนักแสดงยุคเอ็ดเวิร์เดียนผู้โด่งดังเป็นตำนานผู้ให้แรงบันดาลใจแก่เบอร์นาดชอร์ในการประพันธ์วรรณกรรมและสร้างสารบทเอลิซาดูลิโตในเรื่องพิทเมเลียน เธอมีสารถึงเขาว่าอีกไม่นานนักเขาจะพบหญิงคนหนึ่งซึ่งจะถูกส่งให้มาร่วมงานศึกษาจิตกับเขาและช่วยเขาบันทึกนี้ไปรอบโลกวูดหมกตัวอยู่กับกิจกรรมของวงเวียนผู้ชุมนุมทรงกันทุกวันอาทิตย์ในบ้านของตัวเองและกลุ่มผู้ชุมนุมเหล่านี้นับวันแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นพวกเขาฟังเสียงและถกกันถึงเทปที่เขาบันทึกกับฟริน หลายปีผ่านไปเขาเกือบลืมสารที่นางแพทริกแคมเบลส่งมาจนเดือนมิถุนายนปี1953มีหญิงคนหนึ่งโทรศัพท์มาถามถึงแฟลซึ่งเขาลงประกาศหาคนเช่าในบาร์เคลย์รถที่คลอยดอนและเขาเพิ่งปล่อยแฟลชนี้ให้คนเช่าบูดรู้สึกเห็นใจหญิงผู้โทรศัพท์ติดต่อมาคนนี้จึงขอชื่อและที่อยู่ของเธอ และสัญญากับเธอว่าเขาจะติดต่อเธอไปเมื่อใดก็ตามที่แปลตนี้ว่างเธอคือนางกรีนเบ็ตตี้กรีนเป็นลูกสาวเสมียนธนาคารคอยดอนทำงานให้โบด์เธอทิ้งชีวิตในหมู่บ้านชาวประมงแห่งปอร์เปโรมาแต่งงานก่อนแยกทางกับสามีหันมาทำงานเป็นเลขาแพทย์โรคผิวหนังที่โรงพยาบาลเซนจอนในวันหยุดธนาคารเมื่อเดือนสิงหาคม เธอเดินไปตามถนนบาร์เล้เพื่อแวะซื้อของที่ร้านขายกระดาษบูดกำลังทำงานอยู่ในสวนหน้าบ้านของเขาเขาเรียกเธอทันทีที่เธอเดินผ่านและบอกเธอว่าผู้เช่าของเขากำลังจะย้ายออกจากแฟลตเธอยังสนใจแฟลตของเขาอยู่หรือเปล่าจากนั้นสองสัปดาห์ให้หลังเบ็ตตี้กรีนก็ย้ายเข้ามาเช่าแฟลตของเูด เจ้าของบ้านและผู้เช่ากลายเป็นเพื่อนกันในเวลาอันรวดเร็วเขาให้เธอยืมหนังสือและเปิดเทปที่เขาไปนั่งรงกับฟริน์เธอฟังเสียงต่างๆอย่างตกตะลึงไม่ว่าจะเป็นบทสนทนากับไมเคิลเฟนตันเด็กสาวชา ว, ชาวร็อกนี่ที่ชื่อโรดและเสียงสำเนียงอเมริกันซึ่งอ้างตนเป็นไรอเนลบาลีมอร์ถึงเดือนธันวาคมบูตัดสินใจว่า เธอพร้อมสำหรับการศึกษาทางจิตใจขั้นต่อไปนั่นคือการได้ยินเสียงโดยผ่านตัวกลางหรือการทรงของฟรินพวกเขาเดินทางไปรวมกลุ่มเป็นห้าคนในลอนดอนพวกเขาดับไปนั่งรออยู่สักครู่ในความมืดมีเสียงผู้หญิงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาทำลายความเงียบด้วยประโยคสายันสวัสด์สวัสดีกลุ่มคนทรงส่งเสียงรับ สบายดีหรือเสียงนั้นถามเตซี่กรีนจำสำเนียงคอคนี่ได้จากเทปที่เธอเคยฟังหลายครั้งในแฟตของวูดที่บาร์เรลโรดหรือคะนางถามถูกแล้วเสียงนั้นตอบนั่นคือโรดสาวลอนดอนผู้เคยหาเลี้ยงชีวิตด้วยการขายดอกไม้ในลานด้านหน้าของสถานีเชลริงครอสเมื่อถูกกระตุ้นด้วยคำถามจากนางกรีน เธอเริ่มเล่าถึงชีวิตของตนในความเป็นไปของอีกพบรอตอบคำถามเรื่องชนบทและเมืองใหญ่ในโลกใหม่ของเธออย่างไม่ลังเลแม้แต่อึดใจเธ อ, อยังเล่าเรื่องเสื้อผ้าที่สวมใส่กิจกรรมต่างๆที่ผู้คนในพบนั้นทำและความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเรื่องเหล่านี้ให้ความรู้มากกว่าการพิสูจน์ความตายที่บูธกาลังค้นหา นี่เรียกได้ว่าเป็นรายงานของนักหนังสือพิมพ์จากโลกที่คนทั้งห้าไม่เคยมีใครรู้ชัดมาก่อนสำหรับบูตนี่คืออีกก้าวหนึ่งจากบัดนี้ไปเบ็ตตี้กรีนกลายเป็นเพื่อนที่ขาดไม่ได้ในการนั่งสมาธิทรงทุกครั้งรอบตัดเชือกมาถึงเมื่อสองปีให้หลังในปี1955มีเสียงผู้หญิงอีกเสียงดังเข้ามา เสียงนี้แตกต่างกับเสียงของโรสมากเสียงนี้ดูมีชั้นเชิงลุ่มลึกและทรงอำนาจเสียงอ้างว่าตนคือเอเลนเชอร์รีครั้งที่อยู่บนโลกนี่คือเป็นรับพอเทียและโอลิเวียในแฮมเล็ตของเออร์วิงเธอคือราชินีแห่งละครเวทีในยุคเอ็ดวารเดียนแห่งจักรภพอังกฤษเธอเสียชีวิตเมื่อปี1928 บูดกดสวิตเครื่องบันทึกเสียงหวังจะได้ยินการเล่าถึงชีวิตในโลกหน้าทว่ากลับเป็นเลคเชอร์ที่เรื่องเกี่ยวกับการสารเป้าประสงค์ใหม่ในชีวิตพวกคุณกำลังทำการสื่อสารครั้งสำคัญนางบอกพวกเขาและฉันขอแนะนำให้พวกคุณเก็บสัญญาณการติดต่อนี้ไว้เพื่อสร้างอำนาจและความเป็นไปได้ของโยงใยนี้นี่ต้องอาศัยเทปของคุณ มีวิญญาณมากมายในพบนี้ที่ปรารถนาอย่างใหญ่หลวงในการใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้เพื่อส่งสารและข้อมูลต่างๆอันเป็นกลไกแห่งการสื่อสารระหว่างโลกของพวกเรากับโลกของพวกคุณเราต้องการผู้ช่วยที่มีเจตจำนงแน่วแน่ในกลุ่มของพวกคุณเราต้องการคนที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันซื่อสัตย์จริงใจ มีเจตจำนงจัสละเวลาของพวกเขาเทปที่คุณบันทึกจะทำให้เรามีโอกาสเข้าถึงคนอีกมากมายในทุกส่วนของโลกของพวกคุณเราจะนำวิญญาณต่างๆจากบรรยากาศพบต่างๆมาพูดคุยและบรรยายคุณสำคัญแก่พวกเรามากเพราะรู้ดีว่าคุณจริงใจ เรารู้ว่าเราสามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยอาศัยพวกคุณและนั่นคือเหตุผลที่เราอยากให้คุณติดต่อกับเราอย่างสม่าเสมอมันขึ้นกับการติดต่ออันเป็นกิจวัตรเราต้องการให้คุณยังคงรักษาการสื่อสารนี้ไว้พร้อมหลักฐานอย่าทำลายมันนั่นเป็นคําสั่งที่วูดปฏิเสธไม่ได้ เขาอายุ61และงานของเขาเพิ่งเริ่มต้นวันเสาร์ในเดือนหนึ่งของ5ปีต่อมาวูดและนางกรีนขึ้นรถไปจากคอยดอนตะวันออกไปยังวิสตตอเรียพวกเขาหอบเครื่องเทปบันทึกเสียงขึ้นรถโดยสารหมายเลข36ไปเพตติงตันทันเวลานั่งส่งตอน11นาฬิกาในปี1960พวกเขาย้ายไปไบรตันในปี1964 ไปสู่เวิร์ธทิงและกลับมาหยุดอยู่ที่ไบรตันเบลพร้อมเครื่องบันทึกเสียงบนโต๊ะหรือเก้าอี้ว่างเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนเมื่อฟลินเลิกงานตอนสุดสัปดาห์เบ็ตตี้กรีนก็เปลี่ยนงานมาเป็นงานที่เธอสามารถทำได้ในวันเสาร์และมีวันหยุดวันจันทร์เพื่อจะได้นั่งส่งตอนกลางคืนคืนหนึ่งของการชุมนุมนั่งสมาธิเข้าทรงพวกเขาเตรียมตัว ทาจิตให้ว่างเปล่าหนึ่งวันก่อนเข้าทรงเมื่อเขามาถึงแลกล็ตก็ได้รับการต้อนรับจากสุนัขของฟลินต์พวกเขาตรงเข้าห้องสำหรับเข้าทรงในห้องนี้จัดไมโครโฟนไว้เหนือเก้าอี้ตัวที่ฟลิน์นั่งมีสายต่อเข้ากับเครื่องบันทึกเทปบนโต๊ะกาแฟบูดทํากล่องกระดาษแข็งสามด้านวางล้อมเครื่องบันทึกเสียงขันด้านว่างเข้าหาไมโครโฟนและพลิน์ กล่องนี้ทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อป้องกันฟลินจากแสงสลัวซึ่งนางกรีนเห็นว่าอาจาก่อให้เกิดการรบกวนในการสื่อสารฟลินต์นั่งลงประกาศวันที่และชื่อของร่างคนกลางและผู้ร่วมชุมนุมทรงและดับไฟพวกเขานั่งอยู่ในความมืดรอให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงนางกรีนเปิดเทปให้เดินและปล่อยให้มันทางาน ไปจนการสนทนาสองฝ่ายสิ้นสุดลงโดยผู้สื่อสารผ่านฟิ้นส์ข่าวนี้คือมิกกี้ไก่ครกนี่เขาเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ถูกรถบรรทุกชนจนเสียชีวิตไก่ครกนี่เตือนพวกเราว่าพลังซึ่งโยงใยจากฟิ้นกับบูดกำลังเสื่อมลงพวกเขานั่งเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งในความมืดเมื่อเปิดไฟสว่างฟินมีอาการเหนื่อยแรง บูดเองก็โรยละมีอาการเหมือนเป็นไข้นางกรีนเป็นผู้เดียวซึ่งไม่ได้ใช้พลังจิตเธอไม่มีผลข้างเคียงใดๆพูดกับนางกรีนกอเทปกับเก็บข้าวของจ่ายค่าธรรมเนียมและกลับบ้านพวกเขาเก็บเทปไว้ในห้องสมุดสำหรับเก็บเทปบันทึกเสียงซึ่งค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆสิบห้าปีหลังจากนั้น กิจวัตรการเข้าส่งยังคงดำเนินต่อไปห้องสมุดเก็บเทปที่มีบันทึกถึงห้าร้อยกว่าวิญญาณเราถึงประสบการณ์ของการจากโลกนี้ไปมีชีวิตอยู่ในอีกโลกดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่ของชีวิตหลังความตายซึ่งคนเรียกว่าสวรรค์เสียงต่างๆมาจากมนุษย์ผู้อ้างว่าเคยอยู่บนโลกนี้ในศตวตรรษต่างๆอย่างเช่น อาร์ชเชตเล่าอย่างสบายใจว่าความตายเป็นอย่างไรและเขารู้สึกอย่างไรเมื่อพบว่าต้นยังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างฉับพลันหลังเสียชีวิตพวกเขาไปพบใครถูกพาไปที่ไหนบ้านใหม่สวนใหม่เมืองและชนบทอากาศเป็นอย่างไรในสภาพแวดล้อมใหม่พวกเขาจินดื่มและนอนกันบ้างหรือเปล่า พวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าแบบไหนทำงานอะไรเกิดอะไรขึ้นกับสัตว์และสัตว์เสียงของครอบครัวทำไมถึงยากที่จะกลับมาเยือนพบเดิมและพูดกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกคนอื่นๆเป็นคนสำคัญประสบความสำเร็จเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่บนโลกพวกเขาเล่าถึงปฏิกิริยาทางจิตใจของตน และพวกเขาเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นไปอย่างไรเกี่ยวกับพบที่พวกเขาสามารถคิดถึงสิ่งต่างๆอย่างอิสระพ้นจากการตัดสินและสืบสารกับมาตรฐานของโลกนี้นักแสดงอย่างไลโอเนลบาริมร์และเอ็นเลนเทอร์รี่นักเขียนอย่างออสการ์ไวท์และลูเพิร์ตบู๊อธิบายว่าพวกเขาพัฒนาความชำนาญทางงานสร้างสารรค์ของพวกเขาได้อย่างไร และสิ่งที่คนอย่างเท็กซเปียร์และเบอร์นาชช์ทำตรงนี้นักธรรมและผู้นำด้านจิตอย่างคอสโมกอร์ดอนแลงซึ่งเคยเป็นอาร์บิชอัปแห่งแคนเทอร์เบอรีและมหาตมะคานตีกลับมาขี้คลายความจริงจากหลักเกณฑ์ที่ไม่มีข้อพิสูจน์ทางศาสนาทำให้เราได้รู้คำตอบเรื่องความตายจากคนที่ตายนานนับอสงไข